สัตว์ลำบากคนไปแย่งบ้านมันหมดแย่งอาหารแย่งบ้านมีชีวิตลําบากมากเลยคนก็ชอบเบียดเบียนเียดเป็นสัตว์เบียดเบียนกันเองเบียดเบียนสัตว์ธรรมะไม่ไม่มีคนมีธรรมะนะก็ไม่เบียดเบียนเสียร่มเย็นวันนี้เราจะไปหวัง ว่าคนมันจะมีธรรมะทุกคนก็เป็นไปไม่ได้ไปเรียกร้องให้คนอื่นมีธรรมะ ม, มันก็เรียกร้องไม่ได้ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเรียกร้องมานานนะหลายสิบปีแล 5, ้วนหะ้าหกสิบปีแล้วศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศนี่โลกาจะวินาทอยู่แล้วเราไปแก้ที่อื่นไม่ได้เรามาปรับใจของเราไหนๆเราก็ต้องอยู่กับสภาพ แวดล้อมแบบนี้แล้วสภาพแวดล้อมทางด้านสิ่งแวดล้อมด้านบุคคลด้านอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่กับมันทำไงจะอยู่กับมันแบบไม่ทุกได้บางทีความทุกขนะ์นะยังมาไม่ถึงใจเราทุกไปก่อนใครเคยเป็นไหมมหมความทุกข์ยังมาไม่ถึงเราทุกลงหนะ้า <c> ห <oughs> มาแมวไม่เป็นนะ หมาแมวสัตว์ไม่ค่อยคิดกังวลไกลแค่อยู่อิ่มท้องไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะมีที่หลบภัยมีอะไรก็พอใจคนฉลาดเกินไปคิดล่วงหน้าคิดล่วงหน้าก็ทุกล่วงหน้าตอนนี้ใครคิดบ้างว่าตอนแก่ๆจะอยู่ยังไงมีไหมไม่คิดเลยไม่ถูกนะต้องคิดนะต้องวางแผนนะแต่ไม่กังวล แต่เรื่องนะั้นไม่ใช่ชาวพุทธเนี่ยปล่อยชีวิตตามยถากรรมไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่ระวังแผดได้นะคิดได้เตรียมเตรียมการได้แต่ไม่ทุกอะกังวลมากชีวิตคนตายง่ายนะตายง่ายนิดเดียวแนะแก่ๆ แ, แล้วไม่มีใครดูแลแป๊บเดียวก็ตายแล้วไม่ทรมานคนแย่งกันดูแลมากน่ากลัวนะตายก็ไม่ยอมให้ตาย เลี้ยงเนื้อเยื่อไว้อยู่งนะั้นมทรมานมันห่างไกลธรรมดาไปธรรมชาติเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะไม่ใช่ว่าไม่วางแผนวางแผนอนาคตให้ดีแต่ไม่กังวลไม่วางแผนอนาคตเลยประมาทนะคนละเรื่องกันนะไม่ใช่ชาวพุทธไม่คิดถึงอนาคตอยู่กับปัจจุบันอ น, นั้นตีความธรรมะผิดละ พระพุทธเจ้าวางแผนไหมวางตื่นเช้าขึ้นมานะท่านกำหนดเลยวันนี้ท่านจะไปสอนใครกำหนดตัวบุคคลนะกลุ่มเป้าหมายบุคคลเป้าหมายหรือกลุ่มเป้าหมายบางทีก็เป็นกลุ่มบางทีก็คนเดียวกำหนดบุคคลเป้าหมายกำหนดกระทั่งวิธีการว่าท่านจะไปเจอเขาที่ไหนกำหนดกระทั่งเนื้อหาที่ท่านจะสอน รู้ว่าถ้าสอนธรรมะบทนี้แล้วเขาจะได้ผลนี่ท่านวางแผนไว้จนถึงว่ามีผลเป็นยังไงไม่ใช่ตื่นขึ้นมาตามยถากรรมมินทบาทไปเรื่อยๆเจอใครก็สอนไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชพระเจ้าทำงานมีการวางแผนนะวางแผนอย่างดีเลยงานของท่านเลยสาเร็จมีสำเร็จ งั้นไม่ใช่เราไม่ไม่ห่วงอนาคตไม่คิดถึงอนาคตไม่ใชนะ่แต่เราไม่กังวลพยายามวางแผนให้ดีนะประเมินให้ถูกวางแผนให้ดีแล้วก็ลงมือทำตามแผนการแต่อย่า ก, กลัวเมื่อได้ทำเต็มที่แล้วนะผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยแกวนไม่เลยทำเหตุให้เต็มที่เลยส่วนผลมันจะได้เท่าที่เหตุหรือได้เกินเหตุหรือได้ต่ากว่าเหตนะุอันนั้น เกินบังคับนะอย่างบางคนเริ่มกังวลใจนิวเคลียร์จะมาใครคิดเรื่องนิวเคลียร์บ้างีหลังสีอะไรต่ออะไรหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง<ม>เขียนสมัยช่วงสงครามโลกมั้งคนไทยนะไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะก็มาเขียนแล้วก็สรุปอย่างหนึ่งว่าคนไทยไม่กลัวนิวเคลียร์เพราะคนไทยไม่รู้จักหลวง ให้พวกรู้จักมากกลัวมากขอนะงเราตอนนี้รู้จักแต่เราไม่เคยเห็นฤทธิ์มันไม่กังวลการนักกฏนะไม่กังวลไม่อะไรอวรกับอดีตใครอะไรอาวานอดีตบ้างมีไหมอะไรอรรนทั้งนั้นแหละจะทําันแกล้งคุยไ <c oughs> ม่ใช่พระอราหันต์นะ <c oughs> ใครใครคิดถึงตอนเด็กๆบ้างรู้สึกชีวิตมีความสุขรู้สึกไหม ทำไมตอนเด็กๆมีความสุขบางทีเป็นช่วงที่แย่ๆมากๆเลยในสังคมตอนนั้นอย่างหลวงพ่อนะตอนหลวงพ่อเด็กๆอะ่ะรู้สึกมีความสุขมากเลยแต่ว่ามันเป็นเด็กอยู่ในช่วงที่สองสี่เก้าอะไร อ, อันาพานคลองเมืองอะ่ะ <c oughs> เรามีความสุขเราไม่รู้เรื่องรเรื่องเรานึกถึงอดีตนะมีความสุขอะไรอวอน กังวลไปถึงอนาคตอันนี้ชาวพุทธเราจะต้องค่อยๆสะสางตัวเองนะเราไม่อะไรอวรกักอดีตเพราะมันไม่มีละคิดถึงอดีตไปก็เท่านั้นใครเคยอกหักไหมใครเคยอกหักมีไหมเวลาอกหักคิดถึงอดีตไหมเวลาอกหักนึกถึงไหมนึกออกไหมอะไรอวบนอะไรอวบในอดีตมันจบไปแล้วมันจบไปแล้ว มีใครคิดจะไปจีบสาวกลัวว่าไม่ได้กังวลกังวลในอนาคตเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะเราเก็บมาอะไรเอาวรลในอดีตเราเก็บเอามากังวลถึงอนาคตเราไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเรามาเป็นชาวพุทธนะเรามาอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันแหละเป็นความจริงอดีตไม่ใช่ความจริงเพิงจบไปแล้วอนาคตเป็นแค่คิดคิดเอา ยังไม่มีอนาคตจริงๆจะเป็นไงยังไม่รู้เลยอาจจะเป็นเหมือนที่คิดก็ได้ไม่เหมือนก็ได้ตอนเด็กๆใครเคยวางแผนอนาคตาตัวเองว่าโตขึ้นจะเป็นอันน้นเป็นอันนี้มีไหมแล้วเป็นอย่างที่วางไหมมีใครได้อย่างที่วางยกมือให้ดูสิโอเก่งนะพวกนี้พวกนี้แน่จริงแล้ววางต่อไปยังตายแล้วจะไปเกิดที่ไหน เปรี่ยมได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะเปลี่ยมได้อย่าไปเกิดปูมอะไรนะเราก็ฝึกจิตของเราให้คุ้นอยู่กับปู่มนั้นสมัยพุทธกาลนะมีคนหนึ่งเขาฝึกตัวเองไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นโดยการเรียนแบบสุนักคือสุนักขัตตลิชวีทำเรียนแบบหมาหมดเลยเพราะว่ารู้สึกหมาเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นเวลาจะกินอะไรก็ก้มลงไปเลียเลียกินนะทำแบบหมา เนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นวันหนึ่งก็มาคุยอวดพระพุทธเจ้าผมไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยผมเรียนแบบสุนักก็ยึดมั่นสุนักแหละเนี่ยผมจะนิพพานถ้านบอกไม่นิพพานหรอกตายแล้วจะไปเกิดเป็นหมา <laughs> เพราะว่าคุ้นเคยคุ้นเคยกับความเป็นหมาตั้งแต่ยังไม่เกิดเลือกได้นะไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่าโอกาสผิดพลาดมีบ้างมีบ้าง ใจเราปัจจุบันเป็นตัวเลือกอนาคตปัจจุบันเป็นตัวเลือกอนาคตเรามาหัดมีสตินะมีศีลมีธรรมมีสติแล้วรักษาศีลมิธีมีสติแล้วรักษาศีลก็คือมีสติรู้ทันจิตกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันเรื่อยๆศีลไม่จะเกิดเพราะคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงาจิตแล้วรู้ไม่ทัน มีสติรู้ทันจิตที่ฟุง้งซ่านสมาธิจะเกิดเนี่ยมีสติไว้เรามีสติรู้ทันจิตเรื่อยนะใจไหลไปรู้ไหลรู้จิตตั้งมัน่นถัดจากนั้นมีสติรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, รู้นามนี่แหละแต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วปัญญาจะเกิดมันจะเห็นรูปธรรมนามประธรรมทั้งหลายไหลามาแล้วก็ไหลไปไหลามาแล้วก็ไหลไปมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆเนี่ยปัญญาก็เกิด ถ้าใครฝึกตัวเองอย่างนี้นะมีสติขึ้นมารักษาจิตไปก็ได้ศีลได้สมาธิเอมีจิตมีสมาธิแล้วมีสติรู้รูปรู้นามด้วยจิตที่มีสมาธิตั้งมั่นทรงตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ก็จะเกิดตัญญาเห็นความจริงของรูปของนามของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเห็นมากเข้ามากเข้านะวิมุตติก็จะเกิดขึ้นใจมันจะวางทาไมวาง เพราะความจริงของรูปของนามนั้นไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่คิดเลยรูปประธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่เราหวงแหนว่าคือตัวกูของกูเราเข้าจริงเป็นตัวทุกข์เป็นตัวไม่มีสาระแก่นสารอะไรเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นของที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้จริงทำไว้อย่างดีเลยไม่นานก็แปรปรวนไปมันจิตนะฝึกไว้จนสงบสงบอยู่ไม่นานก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกแนะแ ป, ปรปลนได้อีก เราพยายามรักษาศีลไว้รักษามาอย่างดีเลยเดี๋ยวก็ด่างพลอยได้อีกนะไม่ว่าจะทําอะไรนะหรือจะพยายามทําให้มีความสุขมีความสุขอยู่ไม่นานมันก็เศ่อาหมองลงไปทุกข์ขึ้นมาได้อีกเหมือนสร้างบ้านนะจิตใจเราก็เหมือนบ้านสร้างไว้อย่างดีไม่นานก็ต้องซ่อมซ่อมตลอดนทุกวันซ่อมเล็กซ่อมน้อยไปด้วย จิตนี่เหมือนกันนะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ขันทั้งหลายก็เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้มีความแปรปรวนตลอดเวลาแล้วสกปัญญามันแจ้งปัญญามันเกิดจากการที่เรามีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ทรงสมาธิตั้งมั่นเป็นกลางอยู่จิตที่มีสมาธิเป็นจิตตั้งมั่นจิตเป็นกลางสมาธิอย่างนี้ใช้เดินปัญญาถ้า แ, แค่สงบเฉยๆนะไม่เดินปัญญา ตั้งมั่นเป็นกลางก็ต้องไม่ฟุ้งด้วยถ้าฟุ้งมันก็ไม่ตั้งมั่นก็ไหลซ้ายไหลขวาไปได้เพราะฉะนั้นจิตที่ใช้เดินปัญญานีมีความสงบด้วยมีความตั้งมั่นมีความเป็นกลางมีความเบามีความนุ่มนวลมีความอ่อนโยนมีความคล่องแคล่วว่องไวในการรู้รู้แล้วไม่ปรุงต่อถ้าปรุงขึ้นมาก็สติรู้ทันอีกว่าแอบไปปรุงต่อ เช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นจิตไม่พอใจในความโกรธสติรู้ทันว่าไม่พอใจจิตก็เป็นกลางขึ้นมาเนี่ยเรามีวิธีปฏิบัติแบบนี้นะอันนี้แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้มีสติรู้รูป ร, รู้นามรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงเขารู้ด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิต ท, ที่เป็นกลางจิต ท, ที่ตั้งมั่นจิต ท, ที่เป็นกลางนั้นจะมีลักษณะเบา มีลักษณะนุ่มนวลอ่อนโยนมีลักษณะปราดเปรียวว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อมีลักษณะรั่วรมอย่างซื่อรูออ้แล้วไม่หลงไปแทรกแสงถ้าหลงไปแทรกแสงจิตไม่ตั้งมั่นจริงไม่เป็นกลางจริงถ้าเรามีจิตชนิดนี้นะเราก็มาเด่นปัญญารู้รูป ร, รู้นามเรื่อยไปที่หลวงพ่อสอนพวกเราแทบเป็นแทบตายนั้นเพื่อจะพัฒนาให้เราเกิดจิตชนิดนี้ขึ้นมา อย่าบางคนที่หลวงพ่อบอกตื่นแล้วตื่นแล้วก็คือมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมานั่นเองแต่มีได้มันก็เสื่อมได้ยังเป็นโลกียธรรมยังเป็นของเสื่อมอยู่ยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้หรอกจิตที่ทรงสมาธิส่งขึ้นมาได้ก็เสื่อมได้อีกแต่ว่าอาศัยที่เขาทรงสมาธิชั่วครั้งชั่วคราวนั่นแหละมาเดินปัญญาเพ้นพอจิตทรงสมาธิขึ้นมาแล้วต้องรีบเดินปัญญา อย่าส่งตัวรู้แล้วก็รู้ตัวอยู่เฉยๆแค่นั้นไม่พอละเพอาเดี๋ยวมันก็เสื่อมพอเสื่อมอีกก็ไปฝึกจิตใหม่ฝึกจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้เรื่อยจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาอีกแล้วก็ทิ้งไปเปล่าๆอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็เสื่อมอีกนี่นั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาพอเราฝึกจิตให้มีสมาธิแล้วต้องรีบเดินปัญญากันทีเลยอย่าช้าเดี๋ยวมันหายไปเหมือนเราทําน้ําแข็งขึ้นมานะเอาน้ําไปใส่ตู้เย็น เป็นน้าแข็งขึ้นมามันต้องรีบใช้เอาน้ําแข็งออกมาจากตู้เย็นมาวางทิ้งเฉยๆพอละลายแล้วเอาไปใส่ใหม่ทําอย่างนี้ทุกวันเลยเหมือนกับทาสมาธินะทำสมาธิเสร็จแล้วก็ออกจากสมาธิก็เสื่อมไปก็ทําสมาธิใหม่อันนี้เป็นชีวิตที่ไร้สาระมากเลยเพราะฉะนั้นพอจิตเราตั้งมั่นมีสมาธิแล้วต้องรีบเดินปัญญาเงินที่หลวงพ่อสอนให้่วนเวียนอยู่ในเรื่องพวกนี้เอง พื้นเลยต้องมีศีลไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิไ ม, มมาธไม่มีปัญญาแต่สมาธิต้องถูกชนิดสมาธิไม่ใช่แค่สงบสมาธิสงบเฉยอยู่งั้นสมาธิโง่สงบโง่ใช้อะไรไม่ได้สมาธิที่ดีนะั้นต้องฝึกจนทังจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตตั้งมั่นไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งลวแต่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน จิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผ, ผู้เบิกบานนะเป็นกลางนะตั้งมัน่นเป็นกลางนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวแต่ไม่ใช่ฟุง้งซ่านเนียเราต้องฝึกฝึกเรื่องเบื้องต้นรักษาศีลฝึกต่อมาก็มาฝึกจิตให้มีสมาธิสมาธิชนิดที่จะใช้เดินปัญญาเรียกลักขณูปนิชฌานไม่ใช่สมาธิชนิดสงบเฉยๆอยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งๆเรียกอารามณูปนิชฌาน อารมณ์อนุปันธ์ชั้ก็มีประโยชน์เอาไว้พักผ่อนดีกว่าฟุงา้งซ่านแต่สงบอยู่เฉยไม่เดินปัญญาใช้อะไรไม่ได้มาฝึกสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาฝึกไปจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้นะจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดเวลาไหลไปเป็นผู้คิดนะเวลารู้ทันว่าไหลไมันจะกลายเป็นผู้รู้นะั้นจิตนะธรรมชาติของมันส่งออกตลอดเวลา เดี๋ยวก็ไหลไปไหลไปก็ไหลไปที่ไหดก็เป็นผู้คิดพอรู้ว่าจิตไหลไปนะก็เป็นผู้รู้อาศัยรู้นีก็เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมารู้ทันว่าจิตไหลนี่พวกเราต้องฝึกนะทุกวันทําในรูปแบบแบ่งเวลาฝึกซ้อมทําในรูปแบบเหมือนนักมวยเป็นแชมป์โลกก็ต้องซ้อมชกชกกระสอบชกผู้ซ้อมอะไรต้องชกตลอดชกกระสอบทรายก็เหมือนเราฝึกอยู่คนเดียว ไม่มีคู่ชกเช่นทุกวันถึงเวลาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปหายใจไปจิตไหลไปรู้ทันจิตไหลไปรู้ทันนี่เหมือนนักมวยซ้อมชกกระสอบนะไม่ได้ชกกับคนอื่นพอชกกระสอบชำนิชำนาญแล้วลองดูซิมีคู่ซ้อมมิธีมีคู่ซ้อมคือเปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันทำงานดูซิลงสนามจริงมันจะได้เรื่องไหมบางคนนะซ้อมชกเก่งๆนะลงสนามงายท้องเลย เคยมีสมัยหลวงพ่ อ, อยังไม่บวชนะมีพระท่านมาเล่าให้ฟังบอกท่านตลอดพรรษาอยู่ในป่าไม่ยุ่งกับใครไม่พูดกับใครนะภาวนาท่านชี้ว่าดีเยี่ยมแนละ้วพอออกพรรษานะท่านเข้ามากรุงเทพท่านบอกตาบาดแตกหมดเลยสมาธิแตกหมดเลยสู้ไม่ไหวอันนี้คล้ายๆซ้อมซ้อมโชคอยู่คนเดียวนะโชคกระสอบนะพอลงสนามจริงสู้ไม่ไหวงั้นพวกเรา ไม่ใช่ซ้อมอยู่ในรูปแบบอย่างเดียวนะต้องซ้อมลงสนามจริงๆโลงสนามจริงก็คือมาฝึกเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ซ้อมโชกกระสอบก็คือซ้อมอยู่คนเดียวนะหัดพุทโธไปหายใจไปถึงเวลาหรือจะเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรก็ซ้อมฝึกจิตฝึกใจให้สติว่องไวให้จิตตั้งมั่นเม่เราทําต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะที่เรามาฝึกตัวเองทําในรูปแบบนะั้นทำไปเพื่อให้มีสติ ว่องไวให้จิตตั้งมั่นเบื้องต้นได้ความสงบแต่สงบอย่างเดียวไม่พอต้องมาฝึกให้สติว่องไวด้วยให้จิตตั้งมั่นสติเป็นตัวรู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้ของรูปนามได้เราคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจดูกายทำงานดูใจทำงานบ่อยๆแล้วสติจะเกิดเร็วขึ้นถ้าเราไม่หัดรู้สภาวะในรูปในนามในกายในใจนี้สติไม่เกิดหรอก สติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นนี่มาซ้อมทุกวันนะแล้วก็ซ้อมจิตให้มีสมาธิจิตตั้งมั่นจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้จิตก็ไม่ไหลจิตก็ตั้งทุกวันแบ่งเวลาไว้ซ้อมจิตก็สงบบ้างพอสงบแล้วก็มาฝึกสติให้ว่องไวด้วยการหัดรู้สภาวะอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตรู้สึกมาฝึกสมาธิให้ตั้งมั่น จิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมานี่ก็ต้องค่อยๆฝึกไปนะจนกระทังเราได้จิตที่เป็นตัวรู้ขึ้นมาเราได้จิตที่เป็นตัวรู้แล้วคราวนี้มาเดินปัญญานะเดินปัญญาอยู่คนเดียวก็เดินปัญญาได้ออกมาก็ทบอารมณ์ข้างนอกก็เดินปัญญาได้อยู่ในชีวิตธรรมดานี้ก็เดินปัญญาได้ <gimbal. S 2> alltså. งัการภาวนาเราภาวนาในรูปแบบเราก็ทานะ อยู่ในชีวิตจริงเราก็ทําเก่งแต่ในรูปแบบในชีวิตจริงกระเจอกระเจ อ, ก, เจ อ, ก, เจอก็ใช้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องจริงดนั้นต้องฝึกต้องซ้อมทุกวันทุกวันหลวงพ่อก็ภาคเพียนมาอย่างนี้แหละรูบาอจารย์สอนตอนเด็กๆ เ, เ, เรียนสมาธิสอนทําสมาธิก็ทํารื่ยมาเดินปัญญาไม่เป็นได้แต่ความสงบได้แต่สงบนะ แตมาสงบมากๆนิมิตอะไรเกิดนะออกไปรู้ข้างนอกแล้ววันหนึ่งปัญญามันตามทันรู้สึกว่าไร้สาระไปเห็นเทวดาเทวดาจริงหรือว่าเทวดาหลอนขึ้นมาเองก็ไม่รู้นะพิสูจน์ไม่ได้หรอกมันไปเห็นเทวดาก็าอยู่กับเทวดาไม่ได้ถึงเวลาก็กลับมากินข้าวบ้านเราอยู่ดีกินอาหารทิพย์ของเทวดาก็ไม่เห็นอิ่มอย่างเขาเลยนะรู้สึกไร้สาระ พยายามมาฝึกพอสงบจริงๆเนียจิต จ, จะไม่ออกไปมีนิมิตนะตอนที่มีนิมิตจิตยังไม่สงบอนะไม่สงบจริงนั้นที่เราภาวนาแล้วมีนิมิตอย่าภูมิใจเลยมันสะท้อนความหลอยถ้วย <c oughs> ไม่เอาไหนอกถ้าจิตสงบจริงมันตัดนิมิตทิ้งหมดเลยมันเด่นดวงขึ้นมนาะนี่ฝึกอยู่อย่างนี้ตั้งยี่สสองปีนะจิตสงบเด่นดวงอยู่งั้นแต่ทาอะไรไม่เป็นนะ ไม่มีครูบาอาจารย์สอนเรียนรู้เองก็ไม่รู้ไม่ได้มันไม่ใช่ภูมิรำพวกสาวกภูมิรู้ด้วยตัวเองไม่ได้ไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านจนจบเลยไม่รู้ว่าจะภาวนาอย่างไรในพระไตรปิฎกนะถ้าภาวนาเป็นเราจะรู้เลยทุกเรื่องที่ท่านสอนในเรื่องภาวนาทั้งนั้นเลยแต่พอถ้าเรายัางภาวนาไม่เป็นไปอ่านนะไม่รู้จะภาวนาอย่างไงใครเคย ร, รู้สึกไหมอ่านพระไตรปิฎกไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไง แต่ถ้าปฏิบัติเป็นแล้วไปอ่านรู้ไหมท่านสอนปฏิบัติเราพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์นะชื่อท่านอาจารย์มหาเขียนมหาเขียนเป็นเจ้าคุณนะเจ้าคุณอริยะเวทีเดิมท่านเป็นเจ้าวาดวัดสุดท้าจินดาที่โคราชวัดสุดท้าจินดาเนี่ยวัดของครูบาอาจารย์วัดป่าหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่อะไรนะั่เคยมาอยู่เสร็จแล้ว อาจารย์มั่นให้ท่านภาวนาท่านก็ตอบรองว่าขอให้ได้ปเปลี่ยนก้าก่อนท่านได้จริงๆได้แล้วก็มีสัจจะนะออกมาภาวนาหลวงพ่อไปเจอท่านนะวันนั้นไปพอดีหลวงปู่สุวัตพาคนไปบวชอาจารย์มาหาเขียนนี่ท่านเป็นจะอุปชาหลวงปู่สุวัตไม่ได้เป็นอุปชาปู่สุวัตก็พาลูกศิษย์ไปบวชแไปเจอท่านสององค์ ใจมหาเขียนนี้ท่านท่องพระไตรปิฎกท่านบอกว่าท่านเคยสงสัยว่าในพระไตรปิฎกบอกพระอานนท์นะทรงจำพระสูตรได้หมดเลยท่านสงสัยว่าจริงเหรอคนมันจะจำได้เหรอแค่ท่านสงสัยนะท่านลงมือท่องเลยแล้วตอนนั้นนะท่านท่องไปสาสิบกว่าเล่มท่านบอกว่าอีกไม่กี่เล่มจะจบละมันมีสี่สิบห้าเล่มท่านท่องไปเกินครึ่งละเกินได้สองในสามลว ท่านบอกเออท่านเชื่อแล้วว่าพระนนทเนี่ยจําพระสูตรได้หมดว่าท่านยังจําได้เลยไอ้ที่จํายากคืออภิธรรมข้างหลังเนี่ยจํายากเดี๋ยวท่านจะจําให้ได้ท่านบอกตอนหลังได้ข่าวว่าทําทําได้จริงๆใจเด็ดเดียวนะลงทุนจริงๆริงจะไม่ให้เขียนท่านบอกหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยอาตมาอ่านพระใจปิดกนะแล้วก็พบอย่างหนึ่งนะทุกเรื่องที่ท่านสอนเนี่ยเรื่องปฏิบัติทั้งสิ้นเลยแต่การปฏิบัติอาจจะอยู่ในระดับ ที่แตกต่างกันอย่างชาวบ้านเนี่ยจะสอนในระดับของทําทานถือศีลก็เรื่องการปฏิบัติทําทานก็ต้องปฏิบัติใช่ไหมฟังเรื่องทําทานแต่ไม่เคยทําทานมันก็ไม่ได้ปฏิบัติฟังเรื่องรักษาศีลไม่เคยรักษาศีลก็ไม่ปฏิบัติท่านบอกเนี่ยท่านดูแล้วทั้งหมดเป็นเรื่องการปฏิบัตินี่ท่านเข้าใจการปฏิบัติในขณะที่เราภาวนายังไม่เป็นนั้นทําได้แต่ความสงบตรงนันะ้นเราไปอ่านแล้วเราก็เห็นเลยว่าออท่านสอนอะไรก็ไม่รู้แย่ๆไปหมดเลย ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงงั้นถ้าเราพอนาเปลี่ยนนะธรรมะทั้งหลายที่พระเจ้าสอนเนี่ยล้วนแต่เรื่องปฏิบัตินะแต่ว่าปฏิบัติตามชั้นตามภูมินะเป็นขั้นเป็นตอนไปแต่ละคนไม่เท่ากันงั้นเรียนเล้วต้องปฏิบัติต้องลงมือเอามันไม่ยากหรอกนะถ้ายากก็ขี้เกียจทําไม่ใช่ถ้าไม่ขี้เกียจทําแล้วรู้หลักแล้วก็ทําไปหลวงพ่อสอนหลักให้แล้วมีหน้าที่ต้องไปทําเอาเองต้องช่วยตัวเอง ให้ใครช่วยแทนไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ยังทำได้แค่สอนเท่านั้นท่านบอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางพวกเราต้องเดินเอาเองเนี่ยมาฟังธรรมะแล้วก็ต้องเดินเอาเองถ้าเดินเองก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองตอนนี้คนที่ภาวนานะเรียนหลักแล้วก็ไปภาวนา ต, ต่อเนื่องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเห็นได้ชัดเจนนเยอะมากเลยเยอะเยอะเยอะยนะไม่ใช่มีคนสองคน งั้นเรามีสตินะมีสติไว้ฝึกทุกวันทุกวันหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาสภาวะที่ควรหัดรู้นะคือกิเลสทั้งหลายกิเลสเกิดที่จิตคอยรู้ทันกิเลสเกิดที่จิตคอยรู้ทันนี่หัดรู้สภาวะแล้วนะต่อไปชำนิชํานาญกิเลสเกิดไหวแวบขึ้นมาสติระลึกปับ๊บเลยกิเลสจะดับทันที โดยเฉพาะถ้าเรารู้ทันกิเลสกูลฟุ้งสัน้นคุณโมหะนะจิตจะทรงสมาธิขึ้นมาเนี่เราค่อยฝึกทุกวันหัดดูกิเลสไปโดยเฉพาะโมหะจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้นะดีที่สุดเลยเพราะราคะโทสะมันตามหลังโมหะมาถ้าไม่มีโมหะจะไม่มีราคะโทสะนะงานสู้กับกิเลสทั้งทีนะไปเล่นทำไมตัวเล็กตัวน้อยกระจอก คนเนาะจะสู้ราคะไงจะสู้โทสะไงเสียเวลานะมีสติรู้ทันจิตหลงนะ่ะจิตมีโมหะหลงไปจิตฟุ้งไปหลงไปรู้ทันรู้ทันนะราค้าโทสะไม่มีให้ละหรอกไม่ไม่เกิดเลยเราคอยรู้ทันจิตลงไปแล้วรู้หลงแล้วรู้นะเล่นตัวนี้ได้แล้วก็โอ้โหศีลก็มีนะสมาธิก็มีฝึกไม่ยากนะฝึกอันเดียวก็พอละ จิตลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้ฝึกนี้นะศีลก็มีเพราะกิเลสหยาบเกิดไม่ได้กิเลสหยาบเกิดได้ตอนหลงสมาธิก็มีเม่จิตหลงจิตฟุ้งไปนะทําให้ไม่มีสมาธิจิตไหลแว บ, บรู้สึกแวบบรู้สึกดีฝึกไปเรื่อยไม่ใช่งานที่เยอะแยะอะไรเลยทําเรื่องเดียวนี้แหละพอแต่ว่าต้องมีเครื่องอยู่เครื่องช่วยนะไม่งั้นจิตไหลไปแล้วรู้ช้า ก็มีเครื่องอยู่ของจิตหาเอาแต่ละคนคนไหนถนัดพุดโทโธเราก็พุโทโธแต่พุโทโธแล้วรู้ทันจิตจิตไหลไปเรารู้ทันคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปรู้ลมหายใจแล้วก็รู้ทันจิตจิตไหลไปแล้วก็รู้ทันคนไหนดูท้องผองยุบชอบดูท้องผองยุบแล้วก็รู้ไปจิตไหลไปคิดรู้ทันเนี่ยฝึกไปอะไรก็ได้เหมือนกันหมดอะ กรรมฐานไม่ดีไม่เร็วแตกต่างกันเ ท, ท, ท, ท่าเท่ากันทำถูกก็เหมือนกันหมดลงที่เดียวกันหมดไม่ต้องทะเลาะกันสำนักไหนดีกว่าสำนักไหนคนที่ทะเลาะกันได้นะว่าวิธีปฏิบัติแบบไหนดีกว่าวิธีไหนนั้นพวกภาวนาไม่เป็นหรอกภาวนาเป็นไม่ทะเลาะกันมันอันเดียวกันหมดม่นต่างกันที่เปลือกใครถนัดใช้เปลือกอะไรก็เอาเปลือกนั้นนะ เปลือกของการปฏิบัติก็คือรูปแบบทั้งหลายนั่นแหละเปลือกของการปฏิบัติไม่มีเปลือกได้ไหมไม่ได้ต้นไม้ไม่มีเปลือกไม่ได้ต้องมีเปลือกการภาวนาก็ต้องอาศัยเปลือกเหมือนกันจะพุทโธพุทโธก็เปลือกแบบหนึ่งรู้ลมหายใจก็เป็นเปลือกอย่างหนึ่งจะดูท้องพองยุบก็เปลือกอย่างหนึ่งจะดูเวทนาก็เปลือกอันนึงจะหัดดูจิตก็เปลือกอันนึง เปลือกเท่านั้นแหละจะเดินจงกรมนะรู้อิริยาบทสี่อะก็เปลือกอีกแบบหนึ่งรูปแบบของการปฏิบัตินั่นเองจุดสําคัญก็คือมีสติรู้ทันจิตไหมจะใช้เปลือกอะไรก็ได้แต่เรามีสติรู้ทันจิตไหมถ้าได้ถึงจิตถึงใจนะเราจะได้แก่นส า, สารสาระของการปฏิบัติถ้ามีแต่เปลือกนะเราติดเปลือกเราภูมิใจอยู่ที่เปลือกก็ได้แต่เปลือกแหละเช่นบางคนเดินจงกรม กำหนดเลยนะต้องยกเท้าสูงเท่านี้ต้องก้าวไปยาวเท่านี้ละเอียดยิบเลยวันๆไม่ต้องทำอะไรคอยทําอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งเคยชินนะเดินเป๊ะๆ เ, เ, เ, เหมือนกันหมดเลยก็ได้อย่างนั้นนะไม่ได้จิตภาวนานถ้าไม่ได้จิตไม่ได้สาระกิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตนิพพานประจักษ์ด้วยจิตใช้คําไม่เหมือนกันนะ กิเลสเกิดที่จิตรุศสเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตนิพพานประจักษ์ด้วยจิตรู้ด้วยจิตไม่เกิดนิพพานไม่เกิดยังมีเกิดได้มีตายได้มรรคผลเกิดแล้วเที่ยงไหมมรรคผลเป็นโลกุตตะนะเที่ยงไหมไม่เที่ยงเกิดแล้วดับทันทีมรรคขจิตเกิดหนึ่งขณะก็ดับผลแล้จิตเกิดสองสามขณะก็ดับที่เรียกมรรคเรียกผลนะ เกิดแล้วดับนะงั้นสิ่งที่เป็นโลกุตระไม่ใช่ว่าไม่เกิดไม่ดับเสมอไปสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคือนิพพานเป็นโลกุตระโลกุุตระยังมีสองกลุ่มนะกลุ่มที่ยังเกิดดับได้คือตัวมรรคตัวผลนะกลุ่มที่ไม่เกิดดับคือนิพพานงั้นเวลาหลวงพ่อพูดนะบอกกิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิต นิพพานนั้นประจากด้วยจิตค่อยฝึกนะค่อยฝึกไปเป็นบุญของพวกเราแล้วละ่ะได้เกิดมาในร่มเงาของพระพุทธเจ้าธรรมะของท่านนะนำเราออกจากทุกข์ได้จริงๆพ้นทุกข์ได้จริงๆนะแต่ว่าเบื้องต้นเป็นการพ้นทุกข์ทางใจทุกข์ทางกายต้องรับวิบากไปก่อนมีร่างกายมาแล้วเป็นผลของกรรมเก่าได้รับร่างกายนี้มาทุกข์ไปก่อน แต่ไปบพ้นทุกทางใจสุดท้ายในวันที่สิ้นขันเนี่ยพ้นทุกทางกายด้วยเชิญไปทานข้าวไปบำบัดทุกทางกายไปนิมนต์นะครับนิมนต์